จเจริญพรโยมทั้งหลายหลวงพ่อก็ดีใจด้วยนะพวกเราสนใจฟังธรรมเยอะเยอะเทียบกับคนข้างนอกก็ไม่มากหรอกแต่ว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีนะคือสัสดส่วนของคนที่มาฟังธรรมะเนี่ยอายุน้อยลงเ <laughs> ทียบกับตามวัดทั่วๆไปก็จะมีแต่ผู้อาวุโสนะพวกเราก็ สนใจเรียนธรรมะตั้งแต่อายุน้อยๆนี่แหละดีเราจะได้มีเวลาภาวนามีเวลาปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะได้มีเวลาเสพสุขของเรานะจากผลของการปฏิบัติได้รับผลแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนแก่แล้วเรียนไม่ได้นะพระมาหากัตสปะเนี่ยออกบวชอายุตั้ง60สบเนี่ยแล้วท่านก็มาเป็นรพระภิกษุอันดับสารองจากพระโมครัลาสาราาีบุตร ธรรมะเนี่ยไม่ใช่เรียนไม่ได้ฟังเอาไว้เล่นๆ น, นะไม่ได้เอาไว้เฉียงกันเล่นไม่ได้เอาไว้ประดับความรู้เพื่อความเพลิดเพลินธรรมะจริงๆเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้เราประพฤติปฏิบัติเพื่อก้าวเดินไปสู่เส้นทางที่พระพุทธเจ้าวางแนวไว้ให้เส้นทางนี้ปลายทางของมันมีความสุขความสุขที่มหาศาลนะมีความสุขรออยู่ข้างหน้า เราบอกว่ามีนิพพานอยู่ข้างหน้าแล้วฟังแล้วมันเวองว่างไปถามว่านิพพ า, านมันมีลักษณะไงนิพพานมันมีลักษณะสงบสันตินิพพานไม่ใช่แปลว่ามไม่มีอะไรเลยนิพพานมีไม่ใช่แปลว่ามไม่มีนะนิพพานมีความสงบมีความสันตินิพพานมีความสุขนิพพานว่างแต่ไม่ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไรนิพพานว่างแบบว่างจากกิเลสว่างจากกิเลส ว่างจากกิเลสว่างจากขัน5ขันนี่เป็นก้อนทุกข์เป็นตัวทุกข์ น, นิพพานไม่ใช่ศูนย์เปล่าการที่เราภาวนาแล้ววันหนึ่งเราไปพบนิพพานถ้าเรายังมีชีวิตเหลืออยู่10ปี20ปิปีเราก็จะได้สัมผัสความสุขของนิพพาน2ี3สิบปีในช่วงเวลาที่เหลืออยู่หลังจากนั้นบอกไม่ได้เป็นความลับ <c oughs> เราพระพธเจ้าไม่พูดไว ท่า น, นธรรมะทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เรียนไว้เล่นๆนะพวกเราอุตส่ายากลําบากมาฟังนะฟังเพื่อให้ได้แนวทางที่จะไปดําเนินจิตใจของเราไปสู่สันติสุขเส้นทางนี้มีผู้ดําเนินมามากมายองค์แรกคือพระพุทธเจ้าเส้นทางนี้ยังไม่ได้หายไปเส้นทางนี้มีผู้ดําเนินสืบเนื่องต่อเนื่องมาไม่ขาดสายบางช่วงอาจจะทิ้งช่วงหายไปหน่อยละ แยังมีบัณฑิตท่านตามร่องรอยมาได้อยังเป็นขาดช่วงไปนานนะหลวงปู่มั่นมาตามร่องรอยมาได้พวกเราก็ตามหลังมาอีกทีนะเห็นรอยเท้าของท่านยังอยู่กันเยังไม่ถึงจะสูญหายไปพวกเราต้องรีบเดินตั้งแต่วันนี้นะถ้าช้ากว่า น, นี้ร่องรอยที่พระพุทธเจ้าร่องรอยที่ครูบาอาจารย์ทิ้งไว้หายไปเนี่ยเราจะลําบากจะร่อนเร่เราเห็นเรา ห, หน้าลําบากมากในสังสารวัฏเนี่ย ขึ้นได้เราก็ลงได้เสื่อมแล้วก็เจริญเจริญแล้วก็เสื่อมอยู่อย่างนั้นเองดังั้นฟังทำตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเอาไว้ปฏิบัติเอาไวป้ประพฤติเอาไว้ไวลงมือทําไม่ได้เอาไว้คิดเล่นๆ เ, เอาไว้กลุ่ยเล่นๆถ้าสังเกตให้ดีธรรมะทุกบททุกตอนนะเป็นธรรมะเพื่อการปฏิบัติเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยไปหาครูบาอาจารย์ค์นึงชื่อหลวงปู่เขียนที่คุณอริยะเวทีหลวงปู่เขียนเนี่ยได้ป ร, ริญญาเก้าด้วย แล้วก็เป็นเจ้าวาดวัดสุทธาจินดาร่หลังลาออกไปเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นให้ท่านไปภาวนาแตอนหลวงพ่อไปเจอท่านเนี่ยท่านอายุมากแล้วท่านบอกหลวงพ่อมาคํานึงบอกว่าเราท่องพระไตรปิฎกได้สามสิบกว่าเล่มแล้วท่องนะท่านจําได้จำพระไตรปิฎกได้สามสิบกว่าเล่มแล้วแต่ที่เราอ่านพระไตรปิฎกทั้งหมดเลยทุกบททุกตอนเนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิบัติทั้งสิ้นเลยเราก็ได้เจ้าไม่สอนเล่น ดังนันหลวงพ่อยกตัวอย่างนะสักสองสามอย่างก็ได้จะเห็นเลยว่าธรรมะเป็นเรื่องของการปฏิบัติเท่านั้นเลยอย่างเรื่อง เ, อเรื่องโพชชงก็ได้พชชงพชชงเราชอบมาสวดเวลาไม่สบายสวดแล้วก็หายบ้างตายบ้างเพราะว่าคนฟังโพดชงเนี่นะไม่ได้ปรับลื่มใจไม่เหมือนสมัยพุทธกาลนะพระอรหันต์ฟังโพดชงแล้วจิตใจร่าเริงเกิดธรรมปีติ อย่าตอนพระพุทธเจ้าไม่สบายพราจุนทะสวดพุทธชงท่านร่าเริงใจท่านหายป่วยหายป่วยด้วยกําลังของธรรมปีติ น, นี่คนเดี๋ยวนี้สวดพุทธชงก็อย่างนั้นแหละฟังไม่รู้เรื่องนะพุทธชงเริ่มจากสติสติสัมพุทธชงองค์ธรรมของสติสัมพุทธชงก็คือตัวสติ น, นั่นเองสติคือความระลึกรู้ระลึกรู้อะไรระลึกรู้กายระลึกรู้ใจการที่สติระลึกรู้กายสติระลึกรู้ใจเนี่เรียกว่าการเจริญปัญญา รเรียกว่าธรรมวิจยะธรรมวิจัยนะคือการเจริญปัญญาเพราะงั้นการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจนี่แหละก็คือการทำธรรมวิจยะคือการเรียนรู้ธรรมะนี่ถ้าเราเรียนรู้ธรรมะนะทันทีที่มีสติไปรู้กายมีสติไปรู้ใจนะขณะนั้นอกุศลที่มีอยู่จะดับทันทีนอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะนั้นกุศลจะเกิดขึ้นทันทีเพราะตัวสตินั่นแหละตัวกุศล แล้วก็กุศลจะเกิดได้ถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นพัฒสติจะเกิดไวขึ้นไวขึ้นตามความชํานาญของเราการที่อกุศลดับไปแล้วไม่เกิดใหม่สติเกิดขึ้นแล้วก็เกิดเร็วยิ่งขึ้นเรียกว่าสัมมาวายามะหรือเรียกว่าวิริยะนั่นเองวิริยะในสติสัมโพสในสัมโพชงนะก็คือตัวสัมมาวายามะนั้นการที่เรามีสติรู้กายมีสติรู้ใจนี่แหละเรียกว่าเรามีความเพลี่ยนชอบและ สังเกตไหมพวกเราที่ภาวนาเรียนจากหลวงพ่อช่วงหนึ่งพอเรารู้กายพอเรารู้ใจเราเกิดมีความสุขผุดขึ้นมารู้สึกไหมมันจะมีปีติมีความสุขผุดขึ้นมาเองนะองค์ธรรมของมันก็คือปีติเรียกว่าปีติสามโพชงมันจะมีความสุขผุดขึ้นมาผุดขึ้นมานะหล่อเลี้ยงจิตใจให้ชุ่มชื้นจิตใจจะไม่เหมือนดินที่แห้งแล้งขาดน้ําแต่จิตใจจะเหมือนดินที่ชุ่มชื้นเหมาะที่ต้นไม้คือธรรมะจะงอกงามขึ้นในใจเรา นี่พอมีปีติเนี่ยสติเรารู้ทันจิตใจมันจะไม่หวือหวาตามปีติไปมันจะไม่หลงเพลิดเพลินไปในธรรมนะมันจะมีความสงบมีความระงับความสงบระงับของจิตใจที่ไม่หวือหวาตามธรรมมไปนี่เรียกว่าปัสสัตทิปัจสัตทิสัมโพชงพอจิตใจมันไม่หวือหวาไปจิตใจมันก็ตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่อย่างนั้นด้วยใจที่ตั้งมั่ น, นตัวนี้ความตั้งมั่นของจิตใจในการรู้เห็นรูปนามกายใจ ก็คือสมาธิสัมโพชฌงค์พอใจมันตั้งมั่นเนี่ยก็จะเห็นเลยทุกสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วดับไปทุกสิ่งเกิดแล้วดับไปความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดแล้วก็ดับจะเห็นอยู่อย่างเงี้ยซ้ำซ้ำซ้ำนะทีแรกเห็นความสุขเห็นกุศลก็เกิดความยินดีเห็นความทุกข์เห็นอกุศลเกิดยินร้ายนี่ใจไม่เป็นกลาง แต่มาพอเห็นมากเข้ามากเข้านะปัญญามันเกิดมันรู้เลยสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลก็ของชั่วคราวทั้งหมดพอเห็นอย่างนี้ใจจะค่อยเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงความเป็นกลางตัวนี้เรียกว่าอูเบกขาสัมพุทธชงนะเนี่ยถ้าแต่ไล่จากโพชทธชงก็จะเห็นเลยมันเริ่มจากการมีสติรู้กายรู้ใจนี่จนกระทั่งวันหนึ่งเห็นความจริงของกายของใจใจก็เป็นกลางต่อกายต่อใจไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายต่อกายต่อใจ เมื่อจิตไม่หลงยินดีจิตไม่หลงยินร้ายจิตเป็นกลางต่อสภาวะที่จิตไปรู้เข้าแล้วเนี่ยมันใกล้ที่อริยมรรคจะเกิดขึ้นว่าใจจะไม่ปรุงแต่งใจจะไม่ดินน้นรนอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นนี่ตัวอย่างนะเห็นไหมธรรมะแต่ละบทแต่ละตอนที่พระพุทธเจ้าสอนท่านสอนเพื่อการปฏิบัติทั้งหมดเลยคนนี้ฟังธรรมะหมวดนี้ปิ๊งบรรลุแล้วคนนี้ฟังอีกหมวดหนึ่งปิ๊งบรรลุแล้วไม่ใช่ฟังทุกหมวดนะ นั้นจริงๆแล้วธรรมะที่คนแต่ละคนต้องการมีไม่มากหรอกหรืออย่างเรื่องอริยสัจอริยสัจหลวงพ่อพูดเรื่อยๆเริ่มจากทุกข์ใช่ไหมทุกข์คืออะไรทุกข์คือกายกระใจเนี่ยทำไมท่านมาเริ่มที่กายกับใจเพราท่านสอนเพื่อการปฏิบัติท่านสอนบอกให้รู้ทุกข์คือให้คอยรู้กายรู้ใจไว้ถ้าเรารู้ทุกข์ไปมากๆคือรู้กายรู้ใจมากๆเราก็จะเห็นความจริงของกายของใจนะว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษ พอรู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตจะหมดความยึดถือกายยึดถือใจนะเมื่อจิตไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนี่นะความดิ้นรนความอยากที่จะให้กายให้ใจมีความสุขความอยากจะให้กายให้ใจพ้นทุกข์นี่จะดับไปความอยากจะไม่เกิดขึ้นงั้นถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะความอยากหรือตัณหาหรือตัวสมุทัยนี่จะดับไปงั้นท่านสอนกรรมฐานท่านเริ่มจากเห็นไหมมีเริ่มจักทุกข์ใช่ไหมแล้วไปสมุทยัย ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่ก็เป็นอันละสมูทัยเมื่อนั้นเนี่ยธรรมะท่านสอนเพื่อการปฏิบัติจริงๆถ้าละสมูทัยได้ขาดปั๊บลงไปนะนิโรธก็แจ้งขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยการที่เรารู้ทุกข์ละสมูทัยจนแจ่มแจ้งนิโรธขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าอริยมรรคอริยมรรคจะเกิดขึ้นด้วยการรู้ทุกข์ละสมูทัยแจ้งนิโรธแม้ธรรมะของท่านไม่ใช่เอาไว้พูดเล่นๆนะ ถ้าท่านจะเอาธรรมะไว้คุยเล่นๆเอาไว้แบบนักวิเคราะห์ท่านควรจะเริ่มจากสมูทัยก่อนเนี่ยเริ่มจากสาเหตุก่อนนะแล้วก็แก้สาเหตุได้แล้วความทุกข์ก็หมดไปนี่คิดเอาเองนี่ท่านเริ่มจากทุกข์เพราะว่าเราจะต้องรู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจแมสติสัมโพธิชงวิธรรมวิจยาติสัมโพธิชงก็คือการมีสติรู้กายรู้ใจอันเดียวกันนั่นเองนั้นธรรมะที่ท่านสอนนั้น่าฟัง แต่ละบทแต่ละตอนรุ่นแต่เป็นไปเพื่อการประพฤติปฏิบัติเท่านั้นไม่ใช่เพื่อคิดเล่นๆดังนั้นหน้าที่ของพวกเรานะฟังธรรมะให้เข้าใจถ้าเข้าใจแก่นที่หลวงพ่อสอนให้นะว่าเราต้องมีสติเราต้องมีสัมมาสมาธิถ้าเราได้มีสติขึ้นมาเรามีสัมมาสมาธิที่แท้ขึ้นมาแล้วการเจริญปัญญาจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเรียกว่าถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงนะมันจะเริ่มมีปัญญามจะเห็นเลยโลกนี้ไร้สาระทุกสิ่งทุกอย่างไร้สาระ ถึงบอกว่าถ้ารู้ตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่ายถ้าเบื่อหน่ายแล้วเห็นว่าทุกอย่างไร้สาระนะจิตจะคลายกำหนัดคือคลายความหลงยินดีนะหรือยินร้ายในสิ่งทั้งหลนะยายนั่นเองจะหมดความยินดียินร้ายพอคลายกำหนัดคือคลายความผูกพันคลายความยึดถือยึดถือก็มีสองแบบใช่ไหมยึดเอาไว้จะยึดผลักออกไปถ้าไม่ไม่ยึดจะผลักมันทําไมนะเมื่อไร่จิตหมดความยินดียินร้ายจิตก็หลุดพน้นเมื่อหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว เนี่ธรรมมาที่ท่านสอนนะัเป็นเรื่องการภาวนาการปฏิบัติทั้งหมดเลยให้พวกเราค่อยๆเรียนนะค่อยเรียนไปสังเกตดูจนกระทั่งสติตัวจริงๆเกิดเมื่อเมื่อมีสติตัวจริงๆเกิดแล้วค่อยๆศึกษาไปอีกให้สัมส ม, มาส ม, มาธิเกิดขึ้นการที่เราจะเรียนให้มีสติเกิดนะเราก็รักษาศีลไว้ก่อนแล้วเอาศีลของเรานี้เป็นเครื่องฝึกซ้อมให้เกิดสติก็ได้เวลาใจของเราเกิดกิเลสแวบขึ้นมานะให้คอยรู้ทันไว ถ้าเรารู้ไม่ทันกิเลสครอบงําใจได้มันจะทําผิดศีลงั้นถ้าเราเนี่ยเราจะไม่ทําผิดศีลนั้นเราจะเห็นเลยใจมันดิ้นดิ้นดิ้นอยากจะทําผิดศีลนะการที่เราคอยรู้เท่าทันใจที่ดิ้นรนไปตามแรงกิเลสนี่ก็คือการฝึกให้มีสตินั่นเองฝึกรู้ทันนะอีกการหนึ่งก็ฝึกให้เกิดสัมมาส ม, มาธิใจตั้งมั่นใจเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นตัวนี้ยากนะ ส, สติตัวแท้ก็เกิดยากนะถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะ สัมมาสมาธิแท้ๆก็เกิดยากสติแท้ๆเกิดจากจิตจำสภาวะได้สัมมาสมาธิเกิดจากจิตมีความสุขที่ได้เห็นสภาวะเพะฉะนั้นจิตจะมีความสุขขึ้นมาจิตก็จะตั้งมั่นรู้กายรู้ใจก่อนหลวงพ่อเคยสอนอาจารย์สุรวัตรหรือไปไหนละวสอนนิดเดียวนะบอกว่าให้รู้ทุกสิ่งด้วยความเป็นกลางรู้ทุกสิ่งด้วยความเป็นกลางเนี่ยมันก็ครอบคลุมคําว่าสติกับสมาธินั่นเอง รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมากายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นคอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจไม่ลืมกายลืมใจนี่เรียกว่าคอยรู้สึกตัวไวให้รู้รู ideia, son, rament, Stop, ้กายรู есть, worlds, ้ใจไปด้วยจิตที Wha ่เป็นกลางจิตที่เป็นกลางคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิจิตที่รู้กายรู้ใจได้เพราะจิตมีสัมมาสติ สัมมาสติคอยรู้กายสัมมาสติคอยรู้ใจอะไรเกิดขึ้นที่กายเกิดสัมมาสติรู้กายอะไรเกิดที่จิตสัมมาสติรู้จิตสัมมาสติจะไม่ไปรู้อย่างอื่นนะสมาสติต้องรู้กายรู้จิตไม่ใช่ไปคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็จิตมีความสุขอิ่มเ อ, อิบใจจิตใจจดจ่ออยู่กับการคิดถึงพระพุทธเจ้าพุโทโธไปเรืนะ่อยหรือใจไปเพ่งอยู่ที่ท้องนะดูท้องของยุบแล้วก็เพ่งนิ่งๆอยู่ที่ท้องเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่สัมมาสติ เป็นเอาสติไปเพ่งเป็นสติสาธารณะทั่วๆไปเกิดแก่จิตที่เป็นกุศลทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นสัมมาสติต้องเป็นสติที่รู้กายร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไม่ลืมกายไม่ลืมใจเมื่อไร่ลืมกายลืมใจเมื่อนั้นเรียกว่าไม่มีสติขาดสัมมาสติเมื่อไหร่เพ่งกายเพ่งใจเมื่อนั้นไม่ใช่สัมมาสติเป็นแค่สติธรรมดาธรรมดานะี่สิ่งเหล่านี้ต้องต้องค่อยๆเรียนนะ ฟังรอบแรกฟังรอบเดียวไม่เข้าใจไม่เป็นไรคราวหน้าเขาก็แจกซีดีให้นะมาซีดีที่หลวงพ่อพูดตอนเนี้ยเขาก็จะแจกให้นะพวกเราช่วยกันทำขึ้นมาเมืนะ่อเราจะมีสติคอยรู้กายมีสติคอยรู้ใจไม่เผลอไปถ้าเผลอไปเรียกขาดสติถ้าไปเพ่งกายเพ่งใจนะก็เรียกมีสติธรรมดาไม่ใช่สัมมาสติเรนะาต้องมีสัมมาสตินะนั้นให้รู้ไปเรื่อยๆต่อไปพอความโกรธไหลขึ้นในใจเราแวบ สา ม, มารถสติระลึกได้ว่าอ้อโกโรธแล้วมันจะเห็นลักษณะของความโกโรธเราจะเห็นว่าความโกโรธนี่มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างจากสภาวธรรมชนิดอื่นการเห็นลักษณะเฉพาะตัวของสภาวธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่เป็นต้นทางที่จะทํามิปัสนาได้ต้องเห็นลักษณะเฉพาะตัวลักษณะเฉพาะตัวนี่ภาษาแขกเรียกว่าวิเศษลักษณะเราเคยได้ยินคาว่าลักษณะใช่ไหมมีสองอันวิเศษลักษณะ น, นี่ไม่ค่อยได้ยินหรอก เราได้ยินคำว่าสามัญยลักษณะคือไตรลักษณ์สามัญยลักษณะเป็นลักษณะร่วมของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะส่วนวิเศษลักษณะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งแต่ละสิ่งทำให้สิ่งนั้นเนี่ยแยกออกมาเป็นคนและสิ่งกับสิ่งอื่น mm hmm. เช่นความโลภก็มีลักษณะของความโลภความกโกรธมีลักษณะของความโกรธความหลงความสุขความทุกขนะ์แต่ละตัวแต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะของเขาเอง รูปธรรมก็มีลักษณะเฉพาะนามมาทำมีลักษณะเฉพาะจิตก็มีลักษณะเฉพาะของจิตเนี่ยสิ่งที่ประกอบจิตที่เรียกเจตสิกก็มีลักษณะเฉพาะของเขาแต่ละอย่างแต่ละอย่างถ้าเมื่อไรเราเห็นลักษณะเฉพาะก็คือเราเห็นในตัวนี้และสภาวะอันนี้เกิดขึ้นทันทีที่เราเห็นสภาวะอันนี้เกิดขึ้นถ้าใจเราเป็นกลางนะสักว่ารู้สักว่าเห็นจริงๆนะสภาวะ น, นั้นจะแสดงสา ม, มัญลักษณะให้ดู่ะแสดงขึ้นมาเองเลยเช่นเราเห็นความโกรธผุดขึ้นมาปั๊บ เราจำได้ว่าความโกรธมีลักษณะอย่างนี้เอไหมมันร้อนๆนนะ้ำพุ่งพรวดขึ้นมาเนี่ยถ้าแรงหน่อยขึ้นถึงหัวเลยขึ้นหน้าเลยนะใจเต้นตูมๆๆนะจะกัดเอี่างเขาแล้วนะจำได้พอ ต, ตัวนี้ผุดขึ้นมานะสติระลึกเลยนะเนี่ยต้องฝึกนะฝึกไปเรื่อยๆพอันจำลักษณะเฉพาะตัวของสภาวะได้แล้วสติจะเกิดเองพอนะสติเกิดแล้วเนี่ยเราจะเห็นสภาวะนั้นจะแสดงไตรลักษณ์ทันทีเช่นความโกรธที่เกิดขึ้นเราจะเห็นเลย บทมันจะกโกรธมันก็กโกรธของมันขึ้นมาเองนะไม่ใช่สั่งให้กโกรธนะห้ามมันไม่ให้กโกรธก็ไม่ได้นะมันขึ้นมาเองพอมันขึ้นมาแล้วนะจะไปไล่มันมันก็ไม่ไปยิ่งไล่ยิ่งอยู่เลยยิ่งไล่ยิ่งแกล้งเรานะอย่างพอกโกรธขึ้นมาไปดูม mixer, เมื่อไหร่จะหายโกรธนะยิ่งโกรธหนักเข้าอีกโกรธคนอื่นก่อนนะที่แรกต่อมาโกรธตัวเองว่าไม่ไม่หายโกรธสักทีนะเนะีนะ่ยให้คอยรู้นะถ้าเรารู้แล้วเราจะเห็นใจรักความกโกรธจะแสดงใจรักอันแรกเลยมันแสดงความไม่เที่ยง มันไม่คงที่ใช่ไหมทีแรกมันไม่มีมันเกิดมีขึ้นมาพอมีขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีการที่มีแล้วไม่มีไม่มีแล้วมีนี่แหละเรียกว่าอนิจจังการที่มันมีขึ้นมาแล้วมันทนอยู่ไม่ได้นะมันถูกเสียดแทงตัวมันต้องค่อยๆเสื่อมสลายไปนี่เรียกว่าทุกขังการที่มันเกิดขึ้นมาเราก็สั่งให้เกิดห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วไล่ก็ไม่ไปบังคับมันไม่ได้นี่เรียกว่าอนัตตาเนี่ยทันทีที่เห็นสภาวะนะ เราจะเห็นสภาวะได้ต้องรู้จักลักษณะเฉพาะของมันเนี่คืวิเศษลักษณะรู้จักลักษณะเฉพาะตั ว, ตวเราก็เห็นเลยความโกรธโผ ล, ลความโลภโผล่ความใจลอยโผล่ใจไหลวิคิดแวบไปเราจําลักษณะมันได้นะพอไหลวิคิดแวบสติเกิดพอสติเกิดแล้วใจเราตั้งมั่นเป็นกลางนะอย่าไปยุ่งกับมันไม่ใช่ไปว่ามันนะว่าโง่เฟลอโกรธอีกแล้วเฟลออีกแล้วอะไรเงี้ยอย่างนี้ฟุง้งซ่านถ้าเราเห็นแค่ว่ามันไหลไปแวบไป ใจของเราเป็นกลางเราจะเห็นเลยเอ๊ที่ไหลนะ่ะไหลไปเองไม่ใช่เราเลยจะเห็นทันทีเลยนะว่าสภาวะทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราหรอกการที่เราคอยรู้สึกบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆนะมีสติรู้สภาวะบ่อยๆด้วยใจที่เป็นกลางไม่วิ่งตามมันไปไม่ไปผลักมันนะเราจะเกิดปัญญาคือเราจะเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เรานะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อย่างพอฟังหลวงพ่อมากๆสติเกิดแล้วต่อไปจะเห็นเลยความโกรธไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตใจชั่วครั้งชั่วคราว ความโลภ ก, ก็ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในใจชั่วครั้งชั่วคราวความสุขความทุกข์ก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่แปลปลอมเข้ามาช่วครั้งช่วคราวไม่ใช่ตัวเราเนี่ยพอเรามีสติมีสัมมาสมาธินะเราก็จะเริ่มเห็นมีปัญญาเห็นว่าไม่มีตัวเราในสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นพอเห็นมากเข้ามากเข้าถึงวันหนึ่งใจยอมรับความจริงใจจะรวมเข้ามานะแล้วเกิดกระบวนการของโสดาปติมารคขึ้นมามันจะตัดสินความรู้เลยว่า ขาดจากนั้นจิตถอยออกมาจากโสดาปติมัคถอยกลับมาสู่ภูมิมนุษย์ธรรมดานี่เองเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองแต่เดิมเราจะรู้สึกตลอดเวลาในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งมีใครรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้นะมาตั้งแต่เด็กแล้วเราตอนเด็กๆ ก, กับเราเดี๋ยวนี้ก็คนเดิมนะเราคนนี้กับเราเย็นนี้เราปลายปีนี้เราปีหน้าก็เราคนเดิ ม, ะะดมจะรู้สึกอย่างนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราอย่างงอนเราอย่างนี้เวลาเผลอๆก็คิดใช่ไหม คิดไปเราอย่างงอนเราอย่างนี้ถ้าโมโหขึ้นมากูอย่างง้อนกูอย่างงี้มันจะมีอีกตัวนี้ขึ้นมาแต่ว่าพอได้โสดาแล้วนะดูลงมามันจะกลวงไหมมันจะไม่มีเราอีกต่อไปแล้วดูลงมาเห็นเลยขันห้านี้ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเราไม่มีตัวเราในขันห้าไม่มีตัวเรานอกเหนือจากขันห้าด้วยไม่มีตัวเราในที่ใดเลยะเนี่ยพอมันไม่มีตัวเราแล้วมันก็ทําลายที่ตั้งของความทุกข์ไปเพราะสิ่งที่เป็นกายกับใจเนี่ยเป็นที่ตั้งของความทุกข์ เราไปร่างกายป่วยเราจะเห็นร่างกายป่วยไม่ใช่เราป่วยเพราะกายไม่ใช่ตัวเราจิตใจสดชื่นบ้างจิตใจไม่สดชื่นบ้างเราก็จะเห็นอีกจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นเรื่องจะทุกข์จะสุขก็เป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยจะรู้สึกอย่างนี้นะรู้สึกมากเข้ามากเข้าจนเปัญญาแก่รอบนะอริยมรรคก็จะเกิดเป็นลําดับลําดับไปตอนสกิทาคามรรคเกิดเนี่ยก็ไม่ได้ละสังโยชน์เพิ่มแต่ว่าสติปัญญาถัดจากนั้นจะเร็วมากเลยนะ เร็วเหมือนฟ้าแลบเลยพ อ, เลเลพอโกรธแวบสติเห็นขาดสะบั้นพอรอบแวบสติเห็นขาดสะบั้นสติเร็วเพราะงั้นกิเลสมีกําลังอ่อนท่านถึงสอนบอกพระสกีทาคารนี่กิเลสเบาบางกิเลสเบาบางเพราะสติสมาธิปัญญามันแก่กล้าขึ้นมาหลแวบก็ขาดหลาแวบก็ขาดของเราไม่ขาดรู้สึกไหมไหลแวบไปเอา้าไม่ขาดอีกแล้วโมโหอีกมาทำไมไม่ขาดนะเนี่ยเพิ่มกิเลสเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง นี่เราก็รู้กายรู้ใจไปอีกนะจิตตัดครั้งที่สแล้วคราวนี้เราจะไม่ยึดกายเราก็จะไม่ทุกข์เพราะร่างกายแล้วร่างกายจะแก่ร่างกายจะมีตีนกาตีนวัวตีนกวายไม่กลุ่มใจทั้งนั้นนะจะเจ็บจะป่วยไม่กลุ่มใจแล้วรู้ว่ามันของธรรมดามันจะตายก็เป็นของธรรมดาเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายมีความทุกข์อีกต่อไปนึกว่าเราไม่เสวยทุกข์เพราะว่าร่างกายเป็นทุกข์ จะเหลือแต่สุขกับทุกข์ทางใจเท่านั้ น, นแต่ถ้าเป็นภูมิของพระนาคาก็จะไม่ค่อยทุกข์ทางใจแล้วเฉนใหญ่จะมีความสุขทางใจเพราะทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดร่วมกับโทสะพระนาคาไม่มีโทสะแล้วเพราะงั้นใจจะไม่ทุกข์นะแต่ขันเป็นทุกข์ได้นะขันก็เป็นทุกข์ไปตามหน้าที่ของขันเพราะขันเป็นตัวทุกข์ใจใจของพระนาคามีไม่ทุกข์เพราะขันไม่ทุกข์ไปตามขัน นี้ภาวนาไปเรื่อยๆนะท่านจะเห็นในใจนี้ที่ว่ามันไม่ทุกข์มันไม่ทุกข์นะถึงสติปัญญาแก่รอบจริงๆจะเห็นตัวใจหรือตัวจิตผู้รู้นี่แหละเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยเป็นทุกข์ที่ใหญ่กว่าทุกข์อื่นๆนะตัวจิตผู้รู้เนี่ยมันเหมือนเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ถึงต้นไม้นั้นไม่มีต้นไม่มีใบไม่มีรากแล้วเหลือแต่เมล็ดเนี่ยเมล็ดนี้ไปตกลงในที่ที่เหมาะสมก็ ง, งอกเป็นต้นไม้ใหม่ออกดอกออกผลใหม่ได้ตัวจิตผู้รู้ของเราเพียงตัวเดียวนี่แหละ ถ้าหยั่งลงไปสู่พวภูมิทั้งหลายนะมันก็จะงอกขันใหม่ขึ้นมาได้อีกเวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาได้อีกแต่ถ้าเราทําลายเชื้อพันธุ์ของมันไปทําลายวะอวิชชาที่งแฝงอยู่ในจิตผู้รู้เรียกว่าเราทําลายเชื้อพันธุ์ของมันไปนะจิตผู้รู้ก็จะทรงอยู่อย่างนั้นะแต่ไม่มีเชื้อที่จะเกิดต่อไปอีกการทําทลายอาวิชชาก็คือต้องเห็นอริยสัจนั่นเองเห็นว่าตัวจิตเนี่ยเป็นตัวทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นว่าตัวจิตเป็นทุกข์ล้วนๆมันจะหมดความอยากให้จิตมีความสุขหมดความอยากให้จิตทุก มันจะหมดการดิ้นรนหมดการทำงานทางใจเมื่อหมดความดิ้นรนหมดความจงใจที่จะทำงานทางใจเขาเรียกว่าหมดมโนสัญญเจตนามโนสัญญเจตนาฟังแล้วฟังยากนะเจตนาก็คือความจงใจสัญญะเจตนาจงใจแบบรู้เนื้อรู้ตัวด้วยไม่ใช่จิตใจมันทำไปโดยอัตโนมัติจงใจจะทำจงใจทำอะไรจงใจทำทางใจเรียกว่ามโนสัญญเจตนา มโนสัญญาเจตานานี้แหละเป็นตัวผลักดันให้จิตกระทํากรรมขึ้นมาจิตกระทํากรรมเช่นมันอยากจะอยากจะหมดความทุกข์นะจิตก็จะดิ้นดิ้นหาทางให้พ้นทุกข์มันอยากจะมีความสุขจิตก็จะดิ้นดิ้นหาทางให้มีความสุขเนี่ยมันจะดิ้นไปเรื่อยแต่ถ้าละอวิชชาแล้วเนี่ยจะไม่เกิดความจงใจที่จะให้จิตมันมีความสุขให้จิตพ้นทุกข์ให้จิตสงบให้จิตดีไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นอีกต่อไปแล้วเพราะมันไม่ยึดถือจิต ดังนั้นความดิ้นรนทางใจจะไม่มีเมื่อความดิ้นรนไม่มีก็คือพบไม่เกิดขึ้นพบไม่เกิดขึ้นการหยิบฉวยจิตขึ้นมาเป็นตัวตนของตนก็ไม่มีเรียกว่าชาติไม่มีไม่ชาติไม่มีก็ไม่มีความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาเสียดแทงตัวเองอีกต่อไปใจิตใจเข้าถึงอิสรภาพที่แท้จริงนี่แหละนิวฟรีดัมจริงๆนะเตัวจริงเลยนะอฟรีดัมที่เราพูดไปเขียนรัฐธรรมนูนบอกมีเสรีภาพมีอะไรนะหลวงพ่อเรียนรัฐศาสตร์นะเขอสอนกันมาหลายสิบปีแล้ว บอกมนุษย์เนี่ยต้องการเสรีภาพบอกมนุษย์เกิดมามีเสรีภาพแต่ทุกคนทุกแห่งเต็มไปด้วยพันธนาการมีวักหนึ่งนะอย่างน้อยก็ต้องทำตามรัฐธรรมนูญนะ <c oughs> นี่พันธนาการนันหนึ่งแต่ถ้าเราภาวนานะจนใจเราปล่อยไม่ยึดไม่ถืออะไรแล้วเนี่ยเราจะมีอิสระภาพที่แท้จริงเราจะมีความสุขใจเราจะกว้างขวา ง, วางไรขอบไรเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้ง มันจะตั้งได้ไงมันใจมันกับโลกธาตุเสมอกันไปหมดเลยโลกใหญ่จักรวาลใหญ่แค่ไหนใจก็ใหญ่แค่นั้นเสมอกันเรียกว่าโลกกระทำมันเสมอกันนะโลกกับธรรมะนะเดี๋ยวจะไปถอดเทปเป็นโลกกระทำโลกกระทำแปดประการโลกกับธรรมะเสมอกันใจกระทำก็เป็นอันเดียวกันแต่ใจนะใจก็ทรงธรรมไว้ธรรมก็ทรงตัวของมันอยู่ใจเราเข้าไปทรงธรรมไว้ ไม่มีแต่ความสุขล้วนๆวันนี้เทศแค่นี้พอข้าวกอนเทศยาวไปเมื่อคนบอกปลุมใจมีอะไรจะถามไหมหนึ่งนะโอ้คนนี้ยกเร็วให้หนึ่งเท่านึงนึกว่าหนึ่งสองสามเราจะได้เลิกเดี๋ยวลงพ่อบอกก่อนนะการถามธรรมะเนี่ยในความเป็นจริงแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่หรอกนี่พูดเพื่อ น, นมนาวไม่ให้ถามมากเมืนะ่อวานเพิ่งสอนที่ ส่วนสันติธรรมที่ศรีราชาคนถามถามไปเรื่อยถามไม่ยอมเลิกนะหลวงพ่อบอกว่าเห็นหมเห็นความเก่งของหลวงพ่อไม่อัจฉริยะนะที่ฟ้าประทานนะใครถามอะไรตอบได้หมดเลยในเรื่องกรรมฐานแต่ถ้าฉลาดสักนิดจะเห็นว่าทุกคาตอบนะเหมือนกันหมดเลยนะใครถามกรรมฐานอะไรก็ตอบว่าก็รู้เข้าไปสินะนะใครถามอย่างนี้ก็รู้สิรู้เอานะ อ้าเชิญถามได้เดี๋ยวก็จะตอบอย่างเดิมตอนนี้สกล ร, รัมร์พิากรหลวงพ่อครับตอนนี้ผมหลงบ้างรู้บ้างแล้วก็มีโทรสะเล็กน้อยใช่ไหมครับใช่แล้วไปตรึงไว้ไปกดตัวเองไปด้วยตัวที่กำลังบงการพฤติกรรมของเราอย่างแรงเลยนะคือการบังคับตัวเองไว้รู้สึกไหมมันนิ่งๆิ่งกิดความเป็นจริงครับดูออกไหม มันเพิ่งนิ่งเมื่อกี้เองครับออมันนิ่งนิ่งเพราะมันกลัวกลัวใหม่ถ้าอยากหายก็วางใหม่ซะ <c oughs> ถูกต้องแล้วนะเห็นสภาวะได้ถูกต้องแล้วรู้ได้ถูกต้องเลยเห็นไหมมีรู้อีกแล้วเห็นไหมรู้ได้ถูกต้องแล้วเสลอแล้วรู้สึกไหมเสลอก็คือไม่รู้นะชื่ออะไรมีชื่อด้วยชื่อพลเหรออ๋ออย่างนี้เห็นหลายๆทีก็จําได้ต้องหลายทีเพราะแก่แล้วแก่แล้วพอไม่เห็นนานๆก็ลืมอีกนะ อย่าถือกันนะอ้าวมีอีกไหมนมัสการค่ะอ้าวว่างไงตื่นเต้นไหมนิดหน่อยค่ะไม่อยากจะถามแล้ว่ะค่ะอะไรนะเรารู้ไหมว่าไม่อยากถามแล้วใช่ค่ะอะ่รู้เราใช้ได้ละหลวงพ่อคะหนูต้องปรับปรุงตรงไหนคะในการปฏิบัติคะภาวนานะลดความจริงจังลงนิดนึง รู้ให้สบายสบายรู้รู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไปคือหนูมีเวลาทั้งวันสำหรับการดูอะค่ะันลมันหมกมุ่นมากไปหางานทำบ้างไม่มีอะไรทำนะกวาดบ้านไปก็ทำไ้ด้วยอะค่ะซักค้านะทำงานไปเรื่อยๆทำไปแล้วก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปร่างกายมันเคลื่อนไหวเราก็รู้หรือว่าทำงานไปแล้วขี้เกียจ เราก็รู้ทันความขี้เกียจเกิดขึ้นในใจเยเราเคลื่อนไหวไปเราทํางานไปแล้วเราก็คอยรู้กายคอยรู้ใจไปเห็นไหมทราบได้อีกแล้วว่ารู้ต่อไปไม่มีใครถามอะไรหลวงพ่อหรอกเพื่อเลยหลวงพ่อคะฐานของจิตหนูเป็นไงบ้างคะอย่าสนใจก<อ><า>ับว่าฐานเลยนะยังไม่ต้องสนใจหรอกถ้าสนใจฐานเดี๋ยวจะไปเพ่งเอาเพ่งมากไปหลองพ่อค่ะ ไหนไหนหลองพ่อทางนี้ส่งการบานอา้าว่าไปส่งการบานใจเราตอนนี้กับใจเราตอนเด็กๆกเหมือนกันไหมไมนั่นแหละกลับไปเป็นเด็กอย่างเดิมใจของผู้ปฏิบัติเนี่ยนะมันชอบบิดเบือนชอบดัดแปลงให้ผิดธรรมดาจิตใจของมนุษย์ธรรมดาดีที่สุดนะ อย่างจิตใจของเด็กเนี่ยใสใสซื่อๆสํำรับ ส, สังเกตไหมทําไมเด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆได้รวดเร็วเพราะใจของเด็กเนี่ยใสใสซื่อๆม่โกรธก็คือโกรธมันโลบก็คือโลบนะของผู้ใหญ่จะโกรธก็ต้องวางความนะจะโลบอยากได้ก็ต้องทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เห็นไหมมันเสแส้งหมดเลยเวลาจะเป็นนักปฏิบัตินะมันก็เก็บกดเก็บกดไปทุกสิ่งทุกอย่างนะจะทําอะไรจะกระดุกกระดิกะอะไรเนี่ยผิดธรรมดาไปหมดเลย เราไปดัดแปลงกายดัดแปลงจิตใจของเราจนผิดธรรมดาแล้วเราจะไปเห็นธรรมดาของกายของใจได้ยังไงกลับไปสวนวิญญาณเด็กนะสวนวิญญาณเด็กๆใจมันมีความอยากขึ้นมารู้ว่าอยากใจมันโกรธรู้ว่าโกรธใจมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นอย่าไปทําใจประคองไว้ให้นิ่งๆตอนนี้ติดการประคองใจให้นิ่งปล่อยให้ใจเขาทางานไปใจของมนุษย์ดีที่สุดนะหลวงพ่อพูดเรื่อยๆใจของมนุษย์เนี่ยทําไมเราชื่อว่ามนุษย์มนุษย์เพราผู้มีใจสูง ใจมนุษย์คือใจของพวกเรานี้เป็นใจที่สูงอยู่แล้วนะเป็น์ใจที่ดีใจที่วิเศษใจที่เหมาะที่สุดที่จะใช้ทํำวิปัสสนาใจของเทวดาใจของพลมอะไรนี้ไม่ได้เหมาะที่จะทำวิปัสสนาเท่าใจมนุษย์ใจเทวดามีแต่ความสุขความเพลิดเพลินเผลอง่ายเพลินไปนานนานใจมนุษย์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเห็นไหมเนี่ยมีสติตามรู้นะเกิดปัญญาเร็วใจเทวดาเหลอเพลินเพลิน เดินไปร้อยปีพันปีตายแล้วหมดเวลาจะไม่ได้ภาวนาใจของพลมเละนิ่งใจของพลมอย่างเงี้ยนิ่งอยู่ได้นานเป็นปีๆนะไม่มีใจรักให้ดูดูใจรักยากเพราะอะไรเพราะมันคงที่งั้นใจมนุษย์ดีที่สุดมนุษย์เนี่ยหลายใจเพราะฉะนั้นดีอย่าชังคนหลายใจนะเราเองน่นแหละหลายใจนะ เดี๋ยวจิตแล้วก็เกิดที่ตาเดี๋ยวก็เกิดที่หูเดี๋ยวเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดที่ใจแล้วเดี๋ยวก็เป็นจิตสุขเดี๋ยวก็เป็นจิตทุกข์เดี๋ยวเป็นจิตเฉยๆเดี๋ยวเป็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเดี๋ยวเป็นจิตที่มีหิริโอตตาปามีศรัทธามีอะไรขึ้นมาใจของเราเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมีสติตามรู้ไปเรื่อยๆนะแล้วปัญญาจะเกิดในเวลาสั้นอย่าน้อมใจของมนุษย์ที่ดีที่วิเศษนะให้เสียหายไปโดยการทําใจให้เป็นพโฟมทําใจให้เป็นโฟม คล้ายๆคนติดยานะแพ่อสังเกตดูมันคล้ายๆคนติดยาน้ำจะเคลิมมีความสุขน้ำเคลิ้มมีความสุขแต่หลายระดับนะลมถ้าพลมสูงขึ้นไปเนี่ยจะอุบกขาจะไม่เคลิมเคลิ้มในความสุขแต่จะพอใจในความสงบมิเว้ภายในไม่มีสิ่งใดมากระทบได้แจะพอใจอยู่แล้วก็เคลิ้มลงไปไม่ดีกลับไปเป็นคนปกติเนะที่ตอบยาวเพราะว่า จะได้ฟังทั่วๆกันนะจะได้ได้หลักไปด้วยคือไม่ใช่ตอบแล้วก็ได้ประโยชน์เฉพาะคนถามนะหลวงพ่อกพวกเราเยอะไม่สามารถจะถามทุกคนได้เพราะฉะนั้นคำถามใดที่โยงไปสู่ธรรมะในภา ค, ภาคปฏิบัติได้หลวงพ่อก็พยายามโยงให้บางคนจะรู้สึกว่าถามนิดเดียวทำไมพูดยาวๆทีพูดครึ่งชั่วโมงแต่อดทนฟังนะอดทนไว้อดทนเราได้ดีมาไม่รู้กี่ร้อยแล้วนะอ้าวไปไหนต่อละ หลวงพ่อคะโยมฝึกดูเนี่ยบางทีก็มีความสุขขึ้นมาบางทีก็ยังเพ่งยังประคอง อ, อยู่เจ้าคะ่ะแล้วาบางทีก็ไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าอันนั้นนี่ค่อนข้างที่จะเกรงเจ้าคะ่ะก็รู้ถูกต้องแล้วนะที่เกรงก็เพราะยังอยากดีอยู่ให้เรารู้ทันความอยากดีของเราอยากดีอยากสุขอยากสงบอยากได้มรรคผลนิพพานไวๆให้รู้ความอยากนี้ลงไป ใจหมดความอยากใจเป็นกลางใจเป็นกลางก็เราก็รู้กายรู้ใจนะไปตามธรรมชาติธรรมดาที่เขาปรากฏแต่ละขณะแต่ละขณะสภาวะธรรมทั้งหลายที่ปรากฏที่จสอนธรรมะเราเราจะเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิเดแล้วดับที่เห็นอยู่อย่างเงี้ยถึงวันหนึ่งปัญญามันแจ้งเลยสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานี่เป็นพระโสดาบันนะเห็นแค่นี้พวกเราไม่ต้องรู้เยอะนะพระโสดาบันอย่งรู้นิดเดียวแค่นี้เลย พวเราอยากรู้เยอะมากเกินไปเกินจําเป็นแลรู้สึกกายรู้สึกใจเห็นกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเราบังคับมันไม่ได้เห็นจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปบังคับไม่ได้ดูไปเรื่อยๆแค่นี้พอแล้วพอที่จะเข้าสู่จุดที่ปลอดภัยได้ไม่ทราบว่าโยมยังต้องพัฒนาตรงใช้ได้แล้วคุณหมอดีแล้วคุณหมอดีแล้วล่ะ ว, วันนี้ที่มันเกรงมากกว่าปกติเพราะคนมันเยอะกว่าปกติ ที่ภาวนาอยู่ใช้ได้แล้วนะดีแล้วใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราเห็นคุณหมอเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราคุณหมอเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าความสุขความทุกข์ทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาคุณหมอเห็นแล้วว่าโรคปวดหลงทั้งหลายหรือกุศลทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราะคุณหมอเห็นแล้วว่าจิตเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเรื่อยเห็นไหมไม่มีเราตรงไหนเลยเห็นลงไปอย่างเนี้ยจนวันหนึ่งใจมันยอมรับนะ ยอมรับว่าเราไม่มีวันที่ใจยอมรับก็เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมก็คือใจเราเปิดยอมรับธรรมะยอมรับความจริงนั่นเองพอเราได้ดวงตาเห็นธรรมนะเราจะเหมือนเด็กที่กําลังหลงทางอยู่แล้ว ร, รู้ว่าบ้านอยู่ทางไหนเราจะภาคเพียรเดินไปนะเราจะรู้ว่าพ่อแม่รอเราอยู่ที่บ้านพี่น้องรอเราอยู่ที่บ้านเราจะไม่ใช่ลูกกำพร้าอีกต่อไปแล้ะเมื่อไหรได้ดวงตาเห็นธรรมนะจิตใจจะเกิดความอบอุ่นขึ้นมา ตอนนี้ยังไปไม่ถึงบ้านหลงอยู่แต่รู้แล้วว่าบ้านอยู่ทางไหนรู้แล้วว่าวันหนึ่งจะต้องถึงบ้านแน่นอนต้องไปให้ได้นะมันรู้สึกอย่างนั้นเลยถ้าเราภาวนานะแล้วเราความจำดีๆเราเลกระลึกย้อนย้อนไปชาติใดสมัยใดที่เราไม่ได้พบพระพุทธศาสนานะเราเหมือนคนหลงทางจริงๆเลยนะมันเบริงวางวางังเวงถามว่าเราชั่วไหมเราก็ไม่ชั่วหรอก เพาเราไม่ได้มีนิสัยชั่วใจใจมันไร้ทิศทางพอเรามาลงมือภาวนาเราก็อาศัยแค่ศรัทธาเราเห็นครูบาอาจารย์ท่านเดินไปแล้วท่านบอกว่าดีนะดีนะแล้วสังเกตดูท่านศีลก็งามจริยาวัดอะไรก็ดูเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่เศษแส้ให้ดูน่ารักน่านับถือแต่และองค์ไม่มีเหมือนกันเลยไม่มีแกล้งทำํำดูแต่และองค์ผ่องใสเบิกบานแก่เท่าไหร่ก็มีความสุขไม่ใช่แก่แล้วอารมณ์เกลี้ยกล่อ เราเห็นอย่างนี้นะเราก็เออทางของท่านน่าจะดีนะเราดูท่านมีความสุขเราก็มาพาัคเพียรเอาเราก็เพียนไปด้วยศรัทธาเราไม่ได้เห็นจริงหรอกพัคเพียนไปมีศรัทธามีวิริยะนะมีใจที่มุ่งมั่นทดสอบไปเรื่อยใจเราเคล้าเคลียอยู่กับธรรมะเรื่อยๆืเนี่ยเรียกว่ามีอทธิบาทมีฉันทะมีวิริยะมีจิตตามีวิมังสาใจเราเคล้าอยู่กับธรรมะวันหนึ่งเราเห็นแล้วสภาวธรรมทั้งหลายนี่นะ เกิดแล้วดับทั้งสิ้นสภาวธรรมทั้งหลายไม่มีเราอยู่ในนั้นไม่มีเรานอกเหนือจากสภาวธรรมทั้งหลายเหล่านั้นด้วยเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเป็นพระโสดาบันแล้เป็นพระโสดาบั น, นะ น, บนนะใจมันจะอบอุ่นเต็มตื้นขึ้นมาเลยนใจะอบอุ่นมันไม่ใช่ลูกกำพร้าลูกหลงทางอีกแล้วไม่ใช่ลูกแก่ลงฟูอีกแล้วบ้านเราอยู่บ้านเรามีเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ะพ่อแม่รออยู่ที่บ้านด้วยพ่อแม่ไม่ได้ตายหมดแล้วนะอย่าสําคัญผิดนะพ่อแม่ยังรออยู่ที่บ้านนะ เราก็จะภาคเพียรไปเข้าใกล้ไปเรื่อยเป็นลําดับลําดับบางวันก็ขี้เกียจถลายรู้สึกสบายใจแล้วถลายบางคนถลายเจดชาตินะถลายเล็กน้อยเจชาติบางคนถลายหนึ่งชาติอะไรเงี้ยบางคนไม่เอาแล้วจะกลับบ้านแล้วกลับไปถึงบ้านที่แท้จริงบ้านที่แท้จริงของเราเนี่ยไม่ได้ไปหาที่ไหนเลยอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่เองเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตานี่ย บ้านหลังนี้นะ่ะเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความอบอุ่นเรานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระอิยสาวกพระราหันอะไรแต่ละองค์แต่ละองค์ไม่ว่าจะนิพพานแล้วหรื อ, อยังไม่นิพพานนะเราจะมีความรู้สึกเหมือนเราอยู่กับท่านเลยอยู่ด้วยกันตรงนั้นเลยมีความรู้สึกอย่างนั้นเลยนั้นจะไม่ใช่ลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่เป็นลูกกําพร้าลูกไม่มีพี่น้องไม่ใช่จะมีความสุขมีความอบอุ่นอยู่อย่างนั้นเลยภาาเพลี่ยนเอานะเด็กๆหลงทางทั้งหลายนะ นำ้ำมัศการพระอาจารย์ประโมทค่ะหนูจะถามว่าตอนนี้ที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยถูกต้องหรือยังคะดีนะก็ะดีขึ้นแล้วล่ะค่ะแต<ล>่ก็ลดการบังคับลงนิดนึงจิตใจเรามัวมัวไปนิดนึงดูออกไหมจิตใจเราไม่ผ่องใสเต็มที่อย่างจิตตอนนี้เกิดความสงสัยขึ้นทราบไหมจิตเกิดความสงสัยแล้วเราไม่เห็นว่าจิตสงสัยเนี่ยเรียกเป็นโมหนะเนี่ยใจใจหนีไปคิดแล้วทราบไหม ใ, ให้รู้ทันลงไปนะ ใจสงสัยขึ้นมาอีกแล้วทราบไหมทราบลงไปเรื่อยๆนะรู้สึกไหมใจค่อยคลายออกจากตะกี้แล้วเมื่อกี้เครียดๆกว่านี้ตอนนี้ใจเริ่มคลายใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมรู้ลงไปนะรู้ลงปัจจุบันไปเห็นไหมตมมอบประโยคําว่ารู้อีกแล้วทีหลังไม่ต้องถามนะนึกคําถามอะไรก็ได้แล้วก็ตอบว่ารู้ไว้สิรู้ไวส้ไวสนะิแอบไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหม อาแล้วพอแล้วเครียดละเก็งนะอัดดูอย่างนี้นะพอจำได้ยังดูความเปลี่ยนแปลงของใจเราไปเรื่อยๆนะที่ฝึกอยู่ดีแล้วหละกับนมัติการหลวงพ่อเข้าพรรษานี้ลูกตั้งใจแล้วก็กายในการบวชอุปสมบทนะครับ อ, อ, อยากถามหลวงพ่อช่วยให้คำชี้แนะ แล้วก็ในการปฏิบัติธรรมของของลูกนี้สิ่งใดที่ยังประมาทอยู่หรือว่ายังเป็นวิชาอยู่ในการปฏิบัติขอให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะด้วยครับดีนะที่ทําอยู่ดีเลยค่อยฝึกนะใจเราตื่นขึ้นมาแล้วเราค่อยรู้ของเราไปเรื่อยๆจะบวชมีกําหนดศึกบ่าหรือจะบวชไปเรื่อยๆขอแล้วแต่บุญครับ <laughs> ตอนนี้คิดยังไงแต่ว่าผมตั้งใจแล้วก็ เตรียมตัวเตรียมกายไว้ตั้งแต่ตั้งนานแล้วตั้งแต่เดือนกรุมพาครับบอกแม่ไว้ครับะใจก็พร้อมจะไปบวชแลนะ้วเวลาไปบวชนะอย่าเพ่งโทษคนอื่นนะอย่าดูคนอื่นดูเราคนเดียวอย่าไปดูพระอื่นนะดูตัวเราคนเดียวดูกายดูใจของเราเพราะฉะนั้นการบวชเนี่ยถ้าวางใจไม่ดีคาดหวังว่าในวัดจะต้องสวยสดงดงามเป็นโลกในอุดมคติเดี๋ยจะผิดหวัง นี่ถ้าเราเข้าไปแล้วเราคาดหวังว่าคนอื่นจะต้องดีเนี่ยเราจะผิดหวังเดี๋ยวเราอยู่เราไม่มีความสุขแต่เราคาดหวังไว้แค่ว่าเราบวชเพื่อจะได้มีเวลาเรียนรู้ตัวเองให้มากๆอย่างนี้ตั้งใจไว้ถูกงั้นเราบวชไปเราก็ตั้งใจเรียนรู้ตัวเองนั่งให้สบายไปนั่งหลวงพ่อนะเคยเจอครูบาอาจารย์หลายองค์สมัยที่ท่านอย่างภาคเพียรหาทางพ้นทุกข์ของท่านอยู่มีอยู่องค์หนึ่งนะเมื่อปีสองหตอนนั้นหลวงปู่ดุล มรณภาพไปแล้วมีลูกศิษย์รุ่นพี่อยู่เขาพระบอกมาว่าเนี่ยหลวงปู่รับรองว่าองค์เนี้ยท่านเข้าใจธรรมะขั้นต้นแล้ก็ไปหาท่านไปเยี่ยมท่านเลยไม่ได้บวชนะไปถึงวัดที่ท่านอยู่เนี่ยตอนเที่ยงเที่งมองปลาดๆไปรู้เลยว่าองค์ไหนเราเดินจงกรมอยู่องค์เดียวหลัง <laughs> น, นั้นเป็นเวลาเอ็นเช้าเอ็นเพล น, นอนบ่ายพักผ่อนกลางคืนจําวัด เดินตากแดดก็เดินอยู่ใครใครก็หัวเรอะพระ อ, องค์นิ่มบ้าภาวนาอะไรหนักหนาสาหัสอย่างนั้นเวลาผ่านมา20ปีพระ อ, องค์นั้นกลายเป็นพระแก้วพระทองไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนาจะไปดูคนอื่นนะเราดูของเราเราภาคเพียรไปคนอื่นเขาไม่ภาวนาเขาจะหัวรอ้อยย่ออะไรก็ช่างเขาเราภาวนาลูกเดียว เคยเจออีกองหนึ่งลูกศิษย์หลวงปู่ดูลเหมือนกันตอนนั้นท่านไปอยู่ทางปฐุมไปอยู่ในท้องนาไปอยู่ประก็ไม่มีต้นไม้เลยไปเยี่ยมท่านตอนเที่ยงเที่ยงต้องไปถึงตอนเที่ยงอะเพราะเรานั่งรถเมล์ไปไปยากไปถึงตอนเที่ยงต้อเดินเข้าไปตั้งเป็นกิโลกิโลนะเข้าไปเจอท่านกําลังเดินจงกรมอยู่เดินอยู่กลางแดดที่ต้องเดินกลางแดดเพราะว่าตรงนั้นมีแต่แดดไม่มีอะไรเลย นอกจากด่ายกกุฏิเล็กๆซึ่งไม่มีที่ให้เดินท่านเดินตากแดดนะตัวท่านนี่ไหม้เลยผิวนี่ไหม้ลอกนะหนังลอกเป็นชั้นชั้นชั้นทั้งหน้าทั้งหลังทั้งคอทั้งไหล่ทั้งแขนตัวลอกถามท่านบอกหลวงพี่ทําไมภาวนาทุกยากมากขนาดนี้เราเราเห็นเราอู้สงสารจังท่านบอกท่านทุกเพื่อจะพ้นทุกดูใจของนักปฏิบัตินะว่าเราอย่าสนใจคนอื่นถ้าจะบวชภาวนาของเราลูกเดียว แต่ว่าพอบวชได้แล้วล่ะเพราะว่าพอจะรู้สึกพอจะดูเป็นนะถ้ายังภาวนาไม่เป็นไม่ต้องรีบบวชหรอกไม่ใช่ว่าไปบวชแล้วจะภาวนาเป็นต้งภาวนาให้ได้ก่อนฟังทำไปฟังไ ป, งไปจนเข้าใจวิธีปฏิบัติอ่ะพอยังดูตัวเองนะถ้าจะไปบวชอย่าไปสนใจคนอื่นทำความเพียรของเราไปรู้กายรู้ใจไม่บังคับมัน ตอนนี้บังคับมากขณะเนี้ยบังคับมากไปกดมันเมื่อกี้ไม่ได้กดตอนนี้กดมันรู้เล่นๆรู้สบายๆแอบไปคิดแล้วทราบไหมใจไหลไปคิดรู้ว่าไหลไปคิดเนี่ยใจแว บ, บหนึ่งรู้สึกไหมใจมันเบลอๆขาดช่วงวับไปก็รู้ว่ามันขาดไปอ่ะไปถึงไหนแล้วเอาคุณแม่ไปเยาเข้ามาด้วยเรนี่เก้าสิบแล้วนะแข็งแรงมากเดินไวกว่าหลวงพ่ออีก คนมีธรรมะนะสดใสดูสิคุณยายเก้าสิบสดใสสาบซ้าพวกเราบางคนดูดูไม่สดชื่นเท่านะไหนไหนมีไหมครับกลับมาสักากรหลวงพ่อครับคืออยากถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่นี่มีข้อบกพร่องตรงไหนบ้างครับทีแรกเราก็ต้องรักษาศีลให้ดีนะตั้งใจไว้มีศีลให้ดี แล้วก็คอยรู้กายคอยรู้ใจไปเรื่อยไม่ใช่บังคับกายบังคับใจนะแล้วอย่าขี้เกียจคอยรู้ไปเรื่อยตอนนี้บังคับมากไปใจลอยแวบไปแล้วรู้สึกไหมใจมันหนีไปคิดนะ่ะไม่ไปคิดตามที่หลวงพ่อพูดน่ะนี่ไปคิดนี่ไปอีกแล้วรู้สึกไหมใจมันเริ่มตื่นเต้นแล้วรู้สึกไหมแต่ใจเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมเมื่อกี้มัวมัวกว่านี้ ใครรู้สึกนะรู้สึกลงปัจจุบันไปเรื่อยๆบังคับมากไปละกดแรงไปรู้สึกไหมใจเราทื่อๆกว่าความเป็นจริงอย่าไปทําให้แข็งทื่อขึ้นมารู้เล่นๆรู้สบายๆรู้อย่างที่เขาเป็นใช้ได้นะที่ฝึกเยอะคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อนะแล้วตื่นขึ้นมาอย่างนี้เยอะนะเยอะมากเลยที่ตื่นแบบใสปิ้งเลยก็เยอะ บางคนอ่านหนังสือมีอ่านหนังสือแล้วก็หลุดออกมาตื่นขึ้นมามีแต่ซีดีอะกว่าหนังสือเพราะหนังสืออ่านแล้วมีสับเยอะไปนิดนึงที่ต้องเขียนสับเยอะหน่อยเพือให้พวกนกักพี่ทำาอ่านบ้างไม่งั้นนักปริญญาจะนักปฏิบัติไม่ถูกกันพูดกินไม่รู้เรื่องครับกลับมาเมื่การหลวงพ่อนะครับวันนี้จะมาขอรายงานการปฏิบัติก็คือช่วยยกไม้อย่างเนี้ยแบบนักร้องอะ่ะก็คือที่ผ่านมาก็คือรู้ตัวบ้าง แต่ว่ายังไม่ค่อยดีคือนานๆจะรู้สึกตัวแล้วีพอรู้สึกตัวก็จะไปเพ่งนะครับออแล้วก็อย่างวันนี้ก็จะฟุ้งซ่านมากเลยครับเพราะว่าเหมือนเตรียมตัวมาส่งกันบ้านออดีแล้วละ่ะที่ฝึกอยู่นะเพราะว่าเราฟุงา้งซ่านรู้ว่าฟุงา้งซ่านเพ่งไว้รู้ว่าเพ่งไว้รู้อย่างที่เข้าเป็นใช้ได้แต่การที่สติเกิดน้อยนานๆเกิดทีหนึ่งเนี่ยเพราะจิตเราไม่มีวิหารธรรมไม่มีเครื่องอยู่นะ้เราต้องหาเครื่องอยู่ไว้อันนึง เครื่องอยู่ของเราเนี่ยไม่ใช่ที่บังคับจิตให้นิ่งที่หากว่าพอะระลึกถึงการปฏิบัติแล้วเกิดแข็งแข็งเกรงเกรขึ้นมาเนี่ยอันนั้นไม่ใช่มีเครื่องอยู่แต่ว่ามีคุกขังใจไม่ให้กระดุกระดิกมันก็เลยเกรงขึ้นมาต้องทําความรู้จักกับคําว่าวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตวิหารธรรมเป็นบ้านเวลาเราอยู่บ้านนะเรามีธุระเราออกจากบ้านได้ตลอดเวลาอาจจะเอาพุโทโธเป็นบ้านก็ได้ต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆนะ พุโทโธแล้วพอใจเอาแอบไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันแล้วก็มาซ้อมพุโทโธอีกพุโทโธพุโทโธไปใจแวบไปเรื่องอื่นเรารู้ทันหรือเราบางคนทําอะไรไม่เป็นเล ย, ยนนนนไหว้พระสวดมนต์สวดมนต์ไปพอสวดมนต์แล้วใจลอยแวบไปรู้ทันว่าใจลอยสวดมนต์ไปอีกสวดอีกใจลอยอีกแวบหนึ่งรู้อีกไี่หัดรู้อย่างนี้บ่อยๆแล้วจะเผลอสั้นลงสั้นลงไม่เผลอนานต้องซ้อมนะถ้าอ่อนซ้อมก็สติไม่ค่อยเกิดเหมือนนักมวยอ่ะ ไม่ยอมซ้อมเลยไม่ซ้อมชกนะถึงเป็นแชมป์โลกพอถึงเวลาชกจริงก็ชกไม่ออกง้างอยู่นั่นเละชกไม่ได้ต้องซ้อมถ้าอ่อนซ้อมแล้วสติไม่เกิดเกิดช้าเกิดน้อยหลงนานถ้าขยันซ้อมมีวิหารธรรมอันนึงอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับท้องพองยุบก็ได้นะแต่อย่าไปเพ่งใส่มันให้อยู่อย่างสบายๆอยู่แบบเป็นบ้านไม่เป็นคุกนะไม่ใช่เอาท้องเอามือเอาเท้าเอาลมมาเป็นคุกขังใจ รู้เล่นเๆรู้อย่างสบายๆรู้ไปแบบปลอดโปร่งโล่งเบานะเสร็จแล้วใจไหลแวบไปรู้สึกไหลแวบไปรู้สึกต่อไปพอใจมันขยับคลิกเดี๋ยวมันจะเห็นเองสติจะเกิดอัตโนมัติเนี่ยเพราะจิตจําสภาวะได้แม่นอ่ะมีไหมมีอีกเปล่าการน้อมนการหลวงพ่อค่ะบื่นเท้นครับคือผมได้ดูจิตแล้วก็เห็นจิตเนี่ยเกิดเป็นสภาวะที่เกิดติดต่อกัน เกิดเห็นเห็นอะไรนะเกิดจิตเป็นภาวะที่ติดต่อกันนะครับเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายเกิดความแขงแกร่งแล้วก็ดับไปก็เกิดรอบใหม่แต่ทีนี้เมื่อเกิดรอบใหม่เอก็จะเห็นเวทนาเนี่ยที่แรงกล้าขึ้นแรงกล้าขึ้นแล้วแต่ละรอบแต่ละรอบไปแต่มันจะเกิดดับเกิดดับวนเวียนไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆก็ดีแล้วเนี่นะ ดูลงไปเรื่อยๆก็ดีแล้วที่ภาวนาอยู่ถูกแล้วนะจิตใจก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแนละ้วนี่ถ้าเราภาวนาไปแล้วมันยิ่งงวดเข้าไปเรื่อยๆนะเครียดเข้าไปเรื่อยๆเนะี่ยถ้าทนได้ก็ทนดูต่อไปถ้าทนไม่ได้จิตกระสับกระสายก็เปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนอารมณ์ซะเบรกวิธีเครื่องเบรกที่ดีที่สุดก็คือการทําสมถะแต่ถ้าทําสมถะไม่ได้ก็เปลี่ยนอารมณ์ไปคือถ้าละหมกมุ่นดูลูกเดียวนะถ้าเครียดเกินไปไม่ดี ค่อยๆเรียนรู้ไม่ต้องใจร้อนมันมันจะเกิดดับของมันเองครับบางทีย่งมากแค่อย่างมากก็สองรอบหรือสามรอบแต่เวทนาเนี่ยมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นเอแต่ถ้าเราไม่เวทนา<จ>เวทนาทางใจป่ะใช่ครับอ๋ออย่าไปเกลียดนันสิแล้วก็คุณต้องลดความจงใจที่จะไปรู้สภาวะลงถ้ามีความจงใจที่จะรู้สภาวะนะเวทนาทางใจที่รุนแรงอ่ะจะแรงขึ้นแรงขึ้ น, นใจมันจะเครียดขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้ารู้เล่นๆนะไม่เครียดหรอกรู้เล่นๆแล้วจะมีความสุขโชยขึ้นมาเรื่อยๆแทนที่จะเครียดนะกับมีแต่ความสุขขุดขึ้นมาเรื่อยๆแต่พอดูไปนานๆเบลอๆเหนื่อยๆอันนี้ก็พักซะครับ <นะ S 1> ก็ดูอย่างนี้ไปเรื่อยใช่ไหมดูอย่างนี้แหละใช้ได้นะฝึกได้ดีด้วยซ้ําไปคุณรู้สึกไหมใจคุณโล่งๆเบาๆไปแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อน่ะรู้สึกไหมมันยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ครับ นี่ดีแล้วไม่รู้ว่าดีดีแล้วมันมันเรื่อยๆของมันอยู่อย่างนี้อะครับเออเรื่อยๆไปก็จับบางทีแต่ตอนเนี้เผลอแล้วรู้สึกไหมเป็นคังเคิดังามคิดอยู่มันเผลออย่างแรงเลยมันอินเข้าไปในโลกของการคิดใช่ใช่ความคิดนึืความคอยอมันก็เดินเข้าไปในโลกของความคิดให้เรารู้ทันมันมันชอบเข้าไปคิดนะครับคิดแล้วก็ออกมาแล้วบางทีพอรู้นะครับบางครั้งเนี่ยมันรู้แบบรู้ตามประกบแต่มันรู้อ่อนๆพอความอย่างความ ความโกรหรือความฟุ้งซ่าเนี่ยมันจะตามรู้แต่รู้แบบเบาๆแต่พอความรู้มันดับปุ๊บไม่ตื่นเหมือนกับเรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาทันทีเออย่างไงก็ใช้ได้นะรู้เท่าที่รู้ได้ไม่ต้องแกล้งรู้ให้ชัดๆอย่าแกล้งรู้ให้ชัดนะถ้าแกล้งรู้ให้ชัดจะเครียด่าคะถ้าจงใจรู้เนี่ยนะจะเครียดมากขึ้นมากขึ้นนะส่วนไม่ไหวเดี๋ยวสติแตกต้องเบรกบ้างนะรู้เล่นๆรู้สบายใจ แต่ถ้าสบายจนกระทั่งเลือ่อยเฉยขี้เกียจขี้คลานนะก็ปลุกใจให้แอคทีฟบ้างมันไม่มันเ น, น้นเหมือนเราขับรถ อ, ะอ่ะเวลานี้ควรจะเหยียบคันเร่งก็ต้องเหยียบเวลานี้ควรเหยียบเบรกก็เบรกะไม่ใช่เหยียบอันใดนหนึ่งนะเหยียบอันใดนหนึ่งไปไม่ถึงที่หมายหรอกใช่ไหมขับรถถ้าไม่เหยียบเบรกไม่ถึงอะ่ะไมถึงปาราโรกคับขอบขอบพระคุณหลวงพ่อครับ กลาบนมันส ก, การหลวงพ่อนะคะส่งกันบ้านเจ้าคะ่ะปฏิบัติ ด, ดูจิตมาสักระยะหนึ่งแล้วเจ้าค่ะก็รู้สึกว่าเห็นกิเลสในตัวเองเยอะแยะจนบางครั้งรู้สึกท้อแท้แล้วก็รู้สึกสับบัวคะ่ะไม่ทราบหลวงพ่อจะมีอะไรแนะนำบ้างเจ้าค่ะท้อแท้ก็เป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งกลัวก็เป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งล้วก็รู้แถมไปอีกสองตัว <c oughs> แล้วก็ฮัลโหลการปฏิบัติอะค่ะต้องจำเป็นต้องจงกรมไหมเจ้าคะหรือว่าดูจิตอย่างเดียวก็ได้เจ้าคะดูจิตเนี่ยเราไม่ใช่นั่งดูนะดูจิตเนี่ยนั่งอยู่ก็ดูเดินอยู่ก็ดูนอนอยู่ก็ดูเดินยืนเดินนั่งนอนดูทั้งนั้นแหละเพราะงั้นจะมาถามหลวงพ่อว่าดูจิตแล้วต้องเดินจงกรมไหมต้องเดินถ้าเดินได้ทุกก้าวที่เราเดินจะสมมติเดินไปห้องน้าเนี่ย เราก็เดินดูจิตของเราไปอย่างนี้เรียกว่าจงกลมนะส่วนที่เดินกลับไปกลับมาแล้วใจลอยนี่เรียกว่าเดินเลื่อยเปื่อยเดินกลับไปกลับมาแล้วก็เครียดเพ่งกายเพ่งใจเรียกว่าเดินทรมานตัวเองเดินไปด้วยความรู้สึกกายรู้สึกใจเรียกว่าเดินจงกลมเพราะงั้นไม่ว่านักปฏิบัติท่านใดถ้ายังไม่เป็นอมภภาพนะต้องเดินเพราะอะไรเพราะเราเดินอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทุกก้าวที่เดินเนี่ยบวกความรู้สึกตัวลงไป รู้ทันใจของเรารู้ทันกายของเราที่กำลังเคลื่อนไหวเห็นร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินเห็นจิตใจเนี่ยบางทีก็แอบแวบๆบหแบบนีไปขยันเดินนะถ้าถ้าขี้เกียจเดินไม่ดีหรอกยิ่งมือใหม่ทั้งหลายนะถ้าคนไหนเดินแล้วรู้สึกตัวได้บ่อยก็เดินไปบางคนนั่งแล้วเคลิม้มถ้านั่งแล้วเคลิ้มนะั่ไปเดินดีกว่าถ้าเดินไม่ไหวนะนั่งแล้วเคลิม้มแล้วก็ไปเดินไม่ไหวก็ไปนอนซะตื่นขึ้นมาสดชื่นแล้วมาดูอาใหม่ ขอหลวพ่อชนำเพิ่มเติมด้วยเจ้าค่ะก็ใจของเราตอนนี้ไม่ตั้งมั่นดวกไหมให้รู้ว่าไม่ตั้งมั่นอย่าไปบังคับมันนะให้รู้ว่าไม่ตั้งมั่นใจแอบไปคิดทราบไหมให้รู้ทันว่าใจแอบไปคิดใจเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นงนันไปนเรื่อยๆแล้วลดความจงใจลงแต่ตอนนี้จงใจมากกว่าปกติเพราะว่าตื่นเต้นธรรมดา นมำม ก, การพระอาจารย์ค่ะคือจะขอส่งการว่า น, นะคะะอาจารย์เวลานี้รู้สึกว่าตัวเองเกิดความเบื่อหน่ายมากเลยอะคะ่ะแล้วก็บางครั้งนี่จะมีความรู้สึกว่าแบบร้องไห้ออกมานะคะแต่ว่ากำหนดรู้ตามอะค่ะอาจารย์แล้วก็เวลามีอะไรเข้ามาสัมผัสนี่ใจมันจะเป็นกลางกลางอะคะ่ะ กอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์การปฏิบัติต่อค่ะของคุณนะลดความจงใจกำหนดลงนิดนึงนะให้รู้นะไม่ใช่ให้กำหนดนะให้รู้ไปเรื่อยๆถ้าเรากำหนดไปเรื่อยๆเนี่ยสำหรับบางคนเนะีนะ่ยบางทีมันก็รู้สึกอยากร้องไห้ขึ้นมาเฉยๆนะเพราะฉั้นะพยายามรู้สึกรู้สึกอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยให้เยอะๆไวนะ้แล้วก็ลดการจงใจปฏิบัติลงนะจริงจังมากไป มันทำให้เครียดภาวนาแล้วเครียดเกินไปนะเห็นสภาวะหรอกแต่ใจยังไม่ไม่สบายเต็มที่ค่อยๆฝึกนะดีแล้วละ่ะขอบคุณพระเค่ะเหลือแล้วรู้สึกไหมรู้สึกไหมเราเครียดยืนพื้นต้องค่อยๆเลิกนะเลิกไอ้ที่ทำอยู่อะเพราะทำอยู่แล้วมันเครียดเลิกซะก่อนให้ใจเราสบายให้ใจเรามีความสุขก่อนแล้วค่อยมารูเอา ไปรู้ความรู้สึกรู้กิเลสอะไรเนี้ยอย่าจงใจนะลดรูปแบบของการปฏิบัติลงคนนี้เพิ่มรูปแบบขึ้นนะคนนี้ลดลงนะไม่เหมือนกันเดีย๋ยจะมาเอาเป็นข้ออ้างว่าไม่ต้องทำของคุณต้องเลิกไปก่อนเพราะว่าภาวนาแล้วเครียดที่ภาวนาแล้วเครียดเพราะกาหนดมากไปมันไม่ใช่การมีสติระลึกรู้แต่มันเป็นการไปกาหนดรู้ครับ ถ้าภาวนาถูกต้องจิตจะสงบจิตจะเบิกบานจิตจะมีความสุขจิตจะเบาจิตจะว่องไวคล่องแคล่วไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อถ้าจิตหนักแน่นแข็งซึมทื่อจิตเป็นอกุศลภาวนาผิดแน่ๆเนึระวังนะภาวนาจนตกนรกอะเป็นไปได้นะไม่ใช่พูดเล่นๆคือเราภาวนาแล้วเราก็บังคับตัวเองยังเครียดตลอดเวลาเลยจิตของเราคุ้นเคยกับความเครียดจิตที่เครียดเป็นโทสะมูรจิต โทสะมรจิตเนี่ยถ้าเรามีอาจินตการรมคือใจเราคุ้นอยู่แต่โทสะโมรจิตตัวนี้เวลาตายนะกำลังของตัวนี้ให้ผลจะตกนรกเพราะอะไรเพราะตกตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วภาวนาแล้วก็เครียดไปเรื่อยก็ตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้วพอตายไปแล้วก็ไปจริงๆอย่านึกนาว่านารกเป็นนิยายหลอกเด็กมีอีกไหมหลวงพ่อคะ จะถามหลงพ่อถึงหลักในการปฏิบัติธรรมอะค่ะว่าเมื่อผู้อื่นทำให้เรารู้สึกโกรธหรือเสียใจเรารู้ตัวว่าเรารู้สึกโกรธและเสียใจแต่ว่าในสังคมการทำงานหรือไม่ว่าจะอยู่ในสังคมทั่วไปเนี่ยเราจาเป็นที่จะต้องระ ง, งับจิตใจเราหรือไม่โต้อตอบเพื่อที่จะให้เกิดความยุติหรือสงบแต่ว่าเมื่อเรารู้ตัวว่าเราโกรธอยู่เนี่ย ผู้อื่นยังไม่หยุดที่จะทําให้เราโกรธเราควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปคือเราไปหยุดผู้อื่นไม่ได้นะให้เราดูใจที่โกรธแต่ไม่ใช่ไปดูเพื่อให้หายโกรธของคุณยังพยายามดูเพื่อให้หายโกรธอยู่ถ้าดูเพื่อให้หายโกรธเนี่ยนะความโกรธจะทําร้ายจิตใจของเราได้กิเลสเหมือนกระแสน้ํากิเลสเนี่ยเหมือนกระแสน้ําถ้าใจเราเหมือนเรือนะ น้ำไหลผ่านเรือไปเรื่อยๆนะเรือไม่มีอันตรายแต่ถ้าเรือขวางน้ํานะน้ําถึงจะทําลายเรือเพราะฉะนั้นใจของเราเนี่ยถ้าใจเราไปขวางกิเลสเมื่อไหร่เช่นความโกรธเกิดเราไปเก็บกดใหญ่พยายามข่มพยํยามข่มจะให้หายนะก็เหมือนเราไปขวางขวางน้ําไว้กิเลสจะทำร้ายจิตใจเราไม่ให้มีความสุขแต่ถ้าเราสามารถเห็นว่ากิเลสก็ส่วนกิเลสจิตก็ส่วนจิตไม่เกี่ยวกัน กิเลสไหลผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆนะไม่กระทบกระเทือนกับจิตใจเลยอยากโกรธเธอก็โกรธไปสิแต่ว่าใจเราเนี่ยนะไม่กระเทือนไปด้วยแล้วก็สิ่งที่ต้องรักษาไว้คือรักษาศีล5้าไว้นะรักษามารยาทรักษาอะไรอยู่ในสังคมทางร่างกายเนี่ยแสดงออกในสิ่งที่ผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะแล้วแสดงออกไม่ใช่เหมือนเด็กเล็กพอไม่พอใจกระตบเปรี้ยงๆอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราอยู่ในสังคมเนี่ยทางร่างกายเนี่ยเรามีศีล เรามีสมบัติผู้ดีครอบคลุมอยู่แต่ทางจิตใจเราจะไม่เก็บกดเราจะปล่อยให้มันโกรธแล้วเราจะดูมันไปไม่ใช่อยากให้หายโกรธหรืออยากให้ไม่เกิดความโกรธหรืออยากให้คนอื่นไม่มาทําให้เราโกรธอันนั้นเต็มไปด้วยความอยากมันจะเพิ่มความโกรธให้มากขึ้นแล้วจะทําให้เราเครียดถ้าอะไรใจเรายอมรับสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นใจเราจะไม่เครียด แต่ถ้าเมื่อไรใจเรารักหรือใจเราปฏิเสธสภาวะที่ปรากฏขึ้นใจจะเครียดขึ้นมาเพราะงั้นถ้าเรารู้สภาวะทั้งหลายด้วยความเป็นกลางใจจะเบิกบานถ้ารู้สภาวะทั้งหลายแล้วนะเกิดยินดีเกิดยินร้ายความยินดียินร้ายครอบงําจิตเราได้แล้วก็ใจจะมีความทุกข์ขึ้นมาของคุณมันเกิดความยินร้ายในความโกรธแล้วก็เกิดความอยากจะให้คนนี้เขาเลิกพฤติกรรมที่ทําให้เราโกรธ มันก็เลยต้องโกรธต่อไปเรื่อยๆมีความทุกข์นะค่อยฝึกเอาถ้าอย่างนั้นก็คือเราต้องกดความรู้สึกไม่กดหรือว่าไม่กดนะให้เรารู้ความรู้สึกไม่ได้ให้กดความรู้สึกรู้กับกดไม่เหมือนกันของคุณจับชีวิตตรงนี้ไว้ก่อนนะว่าให้รู้ความรู้สึกไม่ใช่ให้กดความรู้สึกแล้วต่อไปนี้ไปหัดสังเกตตัวเองที่ผ่านมาเราชอบกดความรู้สึกเราไม่ได้รู้ความรู้สึก เรากดเพราะอะไรเพราะเราไม่อยากให้มีความรู้สึกอันนั้นใจเราเกิดความยินร้ายขึ้นมาให้เรารู้ทันใจที่อยากให้หายกโกรธนะใจที่ไม่ชอบอ่ะถ้าเรารู้ทันนะความยินร้ายดับไปปุ๊บเราจะไม่ไปกดความกโกรธไว้การที่เรามีความกโกรธผุดขึ้นมาแล้วเรากดเนี่ยเรียกว่าเก็บกดศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาเก็บกดจะเป็นศาสนาแห่งการรู้นะเพราะงั้นความกโกรธพุ่งขึ้นมาเราจะดูเหมือนเห็นคนอื่นกโกรธอนะ่ะแล้วเราจะเดือดร้อนอะไร ความโกรธมันจะพุ่งขึ้นมาเราเห็นเหมือนคนอื่นโกรธแลว้วมันจะพุ่งไปเลยเนี่ยอนุสัยขี้โมโหซึ่งเคยมีอยู่เดิมนะจะค่อยๆลดลงเพราะมันขัดทุนมันปลุขึ้นมาแล้วมันหายไปปลุขึ้นมาแล้วมันหายไปแต่คนทั่วๆไปพอมันโปลุขึ้นมาความโกรธงอกขึ้นมาเนี่ยนะยินดียินไายตอบสนองมันไปความโ ก, กรธก็สะสมพลังเหมือนต้นไม้นะงอกใบออกมาแล้วก็เอาอาหารกลับไปเก็บไว้เกิดหัวเกิดรากเกิดอะไรขึ้นมายิ่งเติบโตมากขึ้น จิตใจนี้ก็เหมือนกันถ้ากิเลสเกิดแล้วเรามีสติรู้ทันนะอนุสัยจะลดลงนะสันดานที่ไม่ดีจะลดลงแต่ถ้าเราตอบสนองกิเลสไปเรื่อยๆอนุสัยหรือสันดานที่ไม่ดีนี่จะมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งแก่ยิ่งร้ายต่อไปไม่มีใครอยากเข้าใกล้นะแต่ถ้าเราดูเราเห็นความโกรธพุ่งปุ๊บสลายสลายอย่าไปอยากให้หายอย่าไปออกแรงกดมันจะสลายไปเรื่อยๆยิ่งแก่จะยิ่งน่ารักขึ้นเรื่อยๆจะเป็นคนแก่ที่ใครเข้าใกล้แล้วร่มเยน็น ฝึกตัวเองนะฝึกเพื่อตัวเราเองแหละเราจะมีความสุขตั้งแต่วันนี้เลยแล้วข้างหน้าก็มีความสุขที่ดีขึ้นประนีตขึ้นรออยู่นะอดทนนิดนึงนะจลิตนิสัยของคุณมันขี้โมโ ห, โหพวกโทสะขอบพระคุณค่ะเห็นไหมเวลาหลวงพ่อพูดกับพวกโทสะต้องนุ่มนวลหน่อยครับ น, นมันส ก, การหลวงพ่อครับพอดีผมเพิ่งเพิ่งเริ่มปฏิบัตินะครับไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าครับหลวงพ่อครับ ดีแล้วถูกที่เริ่มนะฟังซีดีหลวงพ่อให้เยอะๆแล้วหัดสังเกตกิเลสตัวเองไปรเริ่มเห็นกิเลสหรือยังก็เห็นบ้างครับดูเรื่อยๆนะจนกระทั่งเห็นกิเลสเกิดขึ้นเยอะแยะเลยอาจารย์พ่อว่ากิเลสเกิดทุก2อสมวินาทเีเดี๋ยวก็แวบเดี๋ยวก็แวบเดี๋ยวก็แวบอย่างตอนเนี้ใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมทราบครับใจฟุ้งซ่านนี่เป็นโมหะเรียกว่าอุท ธ, ธัจจะเนี่ยไปอีกแวบแล้วรู้สึกไหมรู้สึกเห็นไหมเนี่ยกิเลสเกิดทั้งนั้นเลย นะหัดรู้ไปทีแรกเราจะรู้แต่กิเลสที่หยาบต่อไปเราจะรู้กิเลสที่ละเอียดละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆครับขอบคุณหลวงพ่อครั บ, ร บ, รบมีอีกไหมการนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะคือหลวงพ่อได้พูดถึงการปฏิบัติในชีวิตประจาวันใช่ไหมคะแล้วก็พูดถึงการปฏิบัติในรูปแบบแอยากจะถามหลวงพ่อว่าคือการบ้านของหนูในการปฏิบัติ ในรูปแบบนี้ควรจะเป็นลักษณะไหนดีอะคะเคยทำอะไรบ้างก็เคยเคยทำกายแบบโยคะพุทธโยคะค่ะแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองเครียดลงเครียดไปก็ทำไม่ได้แล้วพอนั่งสมาธิก็ฟุ้งซ่านแล้วก็เตลิดไปก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดกับการนั่งสมาธิขมใจมากเกินไปไปเดินเล่นไปไปเดินเดิน เดินเล่นๆะไม่ต้องว่าเราจะเดินจงกรมจริงจังนะเดี๋ยวเครียดตันนี้ใส่ขี้เครียดเครียดง่ายทำอะไรก็ได้ที่รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆไปดูนะว่าทำอะไรค<อ>่ะ<อ>คือสมัยก่อนคนน้อยนะอย่างหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลทิทีทั้งวันก็มีเราไปคนเดียวสองคนอะไรอย่างเงี้ย เราไปถามกรรมฐานท่านเนี่ยท่านจะนั่งหลับตาไปชั่วโมงแล้วก็บอกเลยไปทำอะไร น, น, น, นี่เดี๋ยวนี้พันคนถ้าหลวงพ่อหลับตาคนละชั่วโมงนะถึงปีหน้ายังไม่ได้ลืมตา <c oughs> แเราต้องช่วยตัวเองหน่อยนะช่วยตัวเองนิดนึงสังเกตสังเกตตัวเองทำยังไงแล้วสติเกิดบ่อยเอาอย่างนั้นแหละทำยังไงแล้วใจเราตั้งมั่นเป็นกลางรู้ตื่นเบิกบานมีความสุขมีความอบอุ่นก็ฝึกไปอย่างนั้นแหละ อันไหนรามนาแล้วก็เครียดเกรงแข็งก็อย่าไปทำมันถึงเคยทำอยู่ก็เลิกซะอย่าไปเสียดายเลยของไม่ดนะีต้องช่วยตัวเองใช้ความสังเกตเมื่อก่อนหลวงพ่อยังไม่ได้บวชนะแล้วก็มาที่นี่สาราลูงชิน ม, มีคนมาถามกรรมฐ า, านเยอะแยะเลยพวกเด็กรุ่นนี้นั่นแหละพกที่ใส่เสื้อสีประหลาดๆเนี่ยมาล้อมถามไว้ถามถามถาม พอเวลาผ่านไปนะก็คนเยอะขึ้นเยอะขึ้นคนที่มาหลังๆมีอยู่คนนึงชื่อสุรวัตรมาหลังเขานะหลวงพ่อก็เลยจะไม่มาที่นี่ละอุตสามามาถามหลวงพ่อว่าจะภาวนายัางไงหลวงพ่อเจอหน้าแล้วเลยไม่บรรยาบบรรยังต้องรู้ตัวให้เป็นก่อนอรู้ตัวให้เป็นก่อนบอกแค่นี้นะเขาก็เริ่มมาหัดรู้สึกตัวแล้วก็พาดูไปเดี๋ยวเขาก็เผลอเดี๋ยวเขาก็เพ่ง เขาก็ห like like ัดรู think, ้จักเผลอรู said, ้จักเพ่งไปพอถูกแล้วก็เออตรงเนี้ยถูกนะเขาก็ค่อยๆสังเกตว่าเมื่อกี้ทําไมหลวงพ่อบอกว่าถูกเวลาบอกว่าถูกแล้วเนี่ยไม่ใช่มาสังเกตว่าขณะนี้เป็นยังไงนะต้องคิดว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นยังไงที่หลวงพ่อว่าถูกจะมาดูว่าเอ๊ะตอนนี้เป็นยังไงไหนดูซิที่หลวงพ่อว่าถูกมันจะผิดไปหมดแล้วมันอยากดูนะเฉะนั้นต้องดูว่าเมื่อกี้เป็นยังไงเนี่ยอาจารย์สุรวัตรดูแบบนี้เมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าเผลอเอ๊ะเมื่อกี้เป็นยังไงเมื่อกี้ใจหนีไป เมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าเพ่งเป็นยังไงอ๋อมันเข้าไปจ้องไว้นะเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าถูกแล้วไม่เผลอไม่เพ่งแค่รู้สึกเขาก็หัดรู้สึกรู้สึกรู้สึกนะรู้สึกมาถึงวันหนึ่งเดือนสองเดือนมั้งหลวงพ่อก็บอกต่อรู้สึกตัวเป็นแล้วรู้สึกตัวได้ละต่อไปนี้นะให้ไปทําสติปัฏฐานให้ไปเลือกเอาเองไปหาเอาเองนะเพราะไม่มีเวลาจะสอนแล้วว่าควรจะใช้กรรมฐานอะไรให้ไปหาเอาเอง เขาก็ไปหัดดวงเขานะเขาเผานางเขาได้งั้นถึงวันนี้แล้วพวกเรามีจำนวนมากเราต้องช่วยตัวเองให้เยอะๆหน่อยสังเกตอะไรก็ไม่ดีเท่าโยนิโสมานาสิการนะหัดสังเกตตัวเองอย่างแยบคายอย่างฉลาดไม่ใช่สังเกตอย่างเจ้าเล่ห์นะเช่นเดินจงกรมรู้ว่าดีอ่ะแต่ก็อยากขี้เกียจลองมานอนนอนสินอนแล้วก็รู้สึกตัวได้แวบหนึ่งก็เที่ยวประกาศ ดิฉันนอนจงกรมก็รู้สึกตัวเนี่ยนอนจงกรมนอนกระดิกกระดิกกระดิกนะนะ <c oughs> <c oughs> เอ้อย่างนี้อ้างตามกิเลสละนะ <c oughs> ต้องดูอย่างซื่อซือว่าทำยังไงแล้วสติเกิดดูซื่อซื่อไปทำยังไงแล้วสัมมาสมาธิเกิดนะเนื้อสติกับสัมมาสมาธิหลวงพ่อพูดบ่อยๆนะไปหาฟังหาอ่านเอานะค่อยฝึกนะวันหนึ่งเราก็จะเข้าใจไม่ได้ยากธรรมะไม่ได้ยากอะไรเลย คนที่ฟังแล้วปิ้งขึ้นมานะจะอูทานออกมาว่าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข่าง่ายเหมือนเปิดของคว่ำให้หงายง่ายนะง่ายมากที่เรายากเพราะเราคิดมากเรียกว่าคิดมากยากนานถ้ารู้เข้าไปเลยกลายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่คีย์เวิร์ดนะท่องไว้นะกลายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นตามรู้มันไปเรื่อยๆตามรู้มันไปเประยะระยะ อย่ารู้แบบเคร่งเครียดให้รู้แบบสบายๆรู้อย่างมีความสุขไปเรื่อยๆถ้าตอนไหนรู้จิตใจได้ก็รู้ไปถ้ารู้จิตใจไม่ได้ก็รู้กายไปเห็นร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราหรอกนะถ้ารู้กายแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องนะเลอะเทอะไปหมดแล้วนะก็ทําสมถากรรมฐานนะเช่นอาจจะคิดเอาว่าอีกไม่นานเราก็ตายแล้วนะอย่าไปโกรธอย่างโน้นอย่าง น, น, างนี้อย่าไปโลภมากอะไรเงี้ยค่อยๆ ค, คิดค่อยๆสอนอะไรเงี้ยใจค่อยสงบลงหน่อย พิจารณาความตายพิจารณาปฏิกูลพิจารณาสุภาพอะไรเงี้ยก็ช่วยลดแรงขับของกิเลสลงชั่วคราวก็วเป็นสมถกรรมฐานพอจิตใจสงบจิตใจตั้งมัน่นแล้วก็มารู้กายมารู้ใจต่อไปกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นรู้สึกเรื่อยๆนะเวัน7เดือน7ปีทำไปเรื่อยๆถ้า7ปียังไม่ได้ผลให้ทํา16ปีนะสิบหกปีไม่ได้ผลทําตลอดชีวิตตลอดชีวิตไม่เสร็จนะทำไปทุกๆชาติเลยภาวนานะ หลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์องหนึ่งท่านเล่าแล้วท่านน้าตาไหลเลยท่านน้าตาคลอไม่ถึงกับไหลน้ําตาคลอบอกว่าท่านลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเหมือนกันอยู่บ้านถือรุ่นเดียวกันนะเขาพ้นทุกพ่นร้อนแนละ้วท่านยังไม่ได้แต่ท่านไม่เลิกนะอีกร้อยชาติท่านก็จะทํานี่หัวใจของนักปฏิบัติต้องเด็ดเดี่ยวอย่างนี้นะอีกร้อยชาติก็จะทำํำนกะราบนัสกสการหลวงพ่อครับคืออยากจะกราบเรียนธรมหลวงพ่ออาการที่ อาการที่จิตไปเ อ, อ่อที่ไรหลงเลี้ยงไม่ถูกครับอาการที่จิตไปดูเนี่ยอาการ อ, อะไรนะเดี๋ยวอาการที่จิตไปดูนะฮะคืออาการที่ว่ารู้แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพียงแต่ว่ามันรู้ขึ้นมาเฉยเฉยแต่วัดหนึ่งใช่ไหมครับแค่รู้ว่ามีสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็หายไปแค่รู้ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่แปลกปลอมเข้ามารู้แค่นี้ก็พอละ ผมทำถูกไหมครับก็หลวงพ่อแนะนำนะครับทำถูกนะแต่ใจตอนนี้มีโมหะเยอะไปนิดนึงมันมัวไปนิดนึงดูออกไหมมันตื่นเต้นด้วยครับอ๋อตื่นเต้นแต่จใจ ม, <า S 2> มันคุ้งฟุงนี่กดแล้วนี่เก็บกดนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะไป น, นั่งเก็บกดปล่อยมันนะปล่อยมันเลิกหรือยังเพราะว่าญาติโยมจํานวนมากอยากกลับละกรรมนะมรสการหลวงพ่อครับ คือว่าเราจะรู้ได้ไงอะครับว่าตอนนี้เราเพ่งไปนะหรือว่าอะไรเงี้ยครับช่วยแนะนำเลยถ้าถ้าเรามันจะมีสองตัวที่เราต้องรู้จักก่อนนะเผลอกับเพง่งอาการเผลอเนี่ยก็คือละโมยแต่ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้รู้เรื่องที่คิดนะหรือว่าไปดูอะไรต่ออะไรรู้หมดเลยใครมารู้หมดเลยแต่ในขณะนั้นเราลืมกายลืมใจตัวเองอันนี้เรียกว่าเผลอไปส่วนเพ่งเนี่ยมันเริ่มมาจากความอยากจะปฏิบัติ แล้วก็จงใจที่จะมาดูกายดูใจพอจงใจดูเนี่ยจิตจะไหลเข้าไปเกาะในสิ่งที่เราไปรู้พอไปเกาะแล้วไปอยู่นิ่งๆอยู่ใจจะแข็งๆใจจะเครียดเครียดขึ้นมาเพราะฉะั้นถ้าภาวนาแล้วใจแข็งๆเครียดเครียดขึ้นมานะแสดงว่าไปเพ่งไปแล้วละ่ะค่อยๆสังเกตเอาว่ามันไปเพ่งอะไรมันถึงแข็งๆขึ้นมาอย่างเมื่อกี้ใจไหลหนีไปคิดแวบหนึ่งรู้สึกไหมเหรอหันรู้สึกเรื่อยๆนะเนี่ยไปอีกแวบหนึ่งแล้วรู้สึกไหมแล้วมันอยากพูดแวบขึ้นมาด้วย รู้สึกไหมให้รู้ลงปัจจุบันไปอย่างนี้นะแล้วโดยส่วนใหญ่เราผมเพ่งเกินไปหรือเปล่าครับเพ่งเกินไปนิดหนึ่งลดลงนิดหนึ่งเพ่งมันมาจากความอยากดีเผลอนี่ยมันมาจากความอยากชั่วนะเพ่งนั้นมันอยากดีก็เลยไปเพ่งไว้พอบคครับเพราะฉะนั้นเผลอไปเขาเรียกว่าอับปุญญาพิสังขารที่ไปเพ่งก็เรียกว่าปุญญาพิสังขาร ปัญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขามีรากเงาอันเดียวกันนะคืออวิชชาหลวงพ่อเหนื่อยแล้วใช่ไครับวุ้ยเหนื่อยหลวงพ่อนะชกกระยมวันหนึ่งหลายร้อยคนทุกวันวันนี้มีพิเศษด้วยครับคือเนื่องจากใกล้วันเข้าพรรษาลแล้วครับก็จะขอใช้โอกาสนี้กล่าวคําขอขอเข้ามาในนามของลูกศิษย์และผู้มาฟังธรรมทั้งหลายครับ ขอพระอาจารย์ได้กรุณายกโทษทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านด้วยกายวาจาใจเพราะความประมาดด้วยเถินหลวงพ่ออาหสีกรรมให้นะแล้วถ้าหลวงพ่อประมาดพลาดพรั้งอะไรพวกเราหลวงพ่อก็อาหัวสีด้วยนะนี่ทำเนียมพระนะเอวังห้ตัวเอวังหตั โ, โ, โ, โยจ่าปุเพปมาชิตวาปัชชาโซนัปปมาชิติโสมังโล ก, กังกภาเสติอาภามุตโตวจันดิมา ยสะปาปังกตังกั ม, มังกุสเรนะปะฮิยติโสมังโลกังปะพาเซติอาภามุตโตวจันิมาอาภิวาธนาสีลิสณิตจังมุฒาปจ า, ายิโนจตาโรธรรมาวะทันตีอายุวันโนสุ ข, ขังภะหลังเดี๋ยวต้องถวายทานนี่ครับเดี๋ยวถวายทานร่วมกันนะครับ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 เมื่อตอนต้นเดือนเนียไปหาปรูบาจารย์ทัยสารท่านบอกว่าท่านส่งต่อไปอีก129วัดนะนันของที่พวกเราให้หลวงพ่อมาเนี่ยมันกระจายไปสู่อีก130วัดนะนั้นเป็นบุญหลายชั้นของพวกเรารับถอนนะยะถาวารีวหาปุราปาริปูเรนตีสาขรังเอวเมวาอีตัจินนังเปตานังอุปกปติ อิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิจฉตุสัเพปูเรนตูสังกปาจันโดพัณนรสยัตธรมนิชโชติรสยทาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพรโรคโควินั ส, สตูมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายยโกภวาอาภิวาธนาสี